ในช่วงนี้พูดธรรมานุปัสสนาโดยเฉพาะนิวรบพระเนี่ยนะก็ยังชอบใจในคาถาธรรมบทโดยเฉพาะตันหาวักคือธรรมบทนี้ทั้งหมดมีอยู่26วสิบวักวันี้ก็วักรัลสิ0เรื่องบ้าง12บเรื่องบ้างเนี่ยนะซึ่งแต่ละวักก็เช่นวักแรกพูดถึงยมก่าววักพูดเป็นคู่ๆไปเนี่ยนะอัปปมาทวัจิตวักเนี่ยนะก็เป็นวว วักนี้แปลว่าตอนไงเป็นตอนเป็นตอนวักก็คือเป็นช่วงเป็นช่วงะนะคือตามตามกลุ่มเรื่องแบ่งตามกลุ่มเรื่องอาตามที่ลักษณะเช่นเรื่องจิตเนี่ยนะชุดไหนที่พูดแต่เรื่องจิตในในคาถานั้นนั้นนะ่ะก็เอาชนิดที่เรื่องจิตมาเข้าด้วยด้วยกันอย่างนี้เรียกว่าหนึ่งวักเนี่ยนะเป็นวักวักก็แปลว่ากลุ่มก็ไม่ผิดอะไรไนะนะในตันหาวันี้จะเป็นวัคที่ยี่สิบสี่ เป็นเกือบวรสุดท้ายวรสุดท้ายนั้นชื่อว่าพรามนาวรวคสุดท้ายเป็นพรามนาวรวรที่ยี่ิบห้าพิคุวร์เกี่ยวกับเรื่องของภิกษุแล้วก็วรที่ยี่สิบสี่เป็นเรื่องของตันหาเนีย่ยนะก็ยกตันหาขึ้นมาเป็นหลักเมื่อวานก็พูดถึงเรื่องของพระกปิระเนี่ยนะที่ปล่ยให้ตันหาพ่อพูนเจริญเติบโตขึ้นหนักๆในที่สุดก็เป็นผู้ที่ทําลายคำํำสอน ตายแล้วก็ตกนรกพ้นมาจากนรกมาเกิดเป็นปลาตายจากปลาก็ไปนรกต่อแล้วอัตกะทาท่านบอกว่าจากที่มืดสู่ที่มืดนะพุทธพจน์บอกว่าจากที่มืดสู่ที่มืดอัตกะาก็บอกจากที่มืดสู่ที่มืดเป็นร้อยเป็นพันครั้งเนี่ย น, นะก็วันนี้เดิ น, เ ด, นเดินกวาดบนที่เดินเนี่ยนะเห็นหมดเต็มไปหมดเลยก็เลยนึกว่าอ๋อเป็นอย่างนี้เอง น, นนะผลพวงที่มีอยู่ อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องนางลูกสุกรนั่นนะลูกหมูอ่ะนะพระาศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเวลุวันน่นนะเวลุวันก็ที่ที่ทมีสระน้ำอ่ะนะที่ไปนั่งสระน้ํากันนะตรงนั้นแหละเวลุวันใกล้ๆเขาคิ่ชักูนะั่นแหละได้ยินว่าวันหนึ่งพระาศาสดาเสเด็จเข้าไปยังกรุงราชครกเพื่อ บ, บินธบัตท่าพระเนธเห็นนางลูกสุกรตัวหนึ่งก็ทําการยิ้มแย้ม เนี่ยนะคือพระองค์แค่อ้าปากนิดหนึ่งรัศมีก็จะพุ่งออกมาแล้วก็วนรอบพระเศียรเนี่ยนะสามรอบแล้วก็หายไปเมื่อพระองค์ทำการแย้มอยู่พระอนนทเถระก็เห็นมณฑนแห่งทัศโนพาตคือแสงสว่างที่เปล่งออกจากช่องพระโอส์ก็เลยทูลถามเหตุแห่งการแย้มว่าพระเจ้าค่าอะไรหนอเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยทาให้การแย้มปรากฏพระองค์พ คือถ้าไม่มีเหตุจะไม่ยิ้มใช่ไหมอยู่ๆแล้วยิ้มขึ้นมาต้องมีเหตุพระษาสดาก็ตรัสกับพระนอนนท์ว่าอานอนท์เธอเห็นนางลูกสุกรนั่นไหมเห็นลูกหมูไหมเห็นพระเจ้าค่ะนางลูกสุกรนั้นอะ่ะได้เกิดเป็นแม่ไก่อยู่ในที่ใกล้โรงฉันแห่งหนึ่งในาศาสนาของพระผู้มีพระภาค พ, พระนามว่ากักุสันทะนนะพูดถึงพระผูธเจ้าองค์ก่อนนะ ไม่ใช่องค์ก่อนองค์ก่อนโน้นนะคือองค์ในกับเนี่ยองค์แรกเลยเรียกว่ากากูสันท่าองค์ที่สองโกนาคมานะอง์ที่สามเนี่ยกัสปะองค์ทุกวันเรียกว่าโคดมเนี่ยนะทีนี้พูดถึงพระพุทธเจ้าองค์ก่อนโน้นก็เกิดเป็นแม่ไก่อยู่ใกล้โรงฉันไอนางไก่นั้นอะฟังเสียงประกาศธรรมของภิกษุผู้เป็นโยคาวจรรูปหนึ่งสาธยายวิปัสสนากรรมฐานอยู่ จุติจากอัตภาพนั้นก็เกิดในราชกุตกูลเป็นราชธิดาพระนามว่าอุปรีนนไไก่ฟังธรรมอ่ะนะแล้วก็เกิดเป็นลูกของพระราชาเพราะฉะนั้นการสาธยายธรมได้ยินเนี่ยมีผลไปหาพวกสัตว์ติระฉานด้วยก็ถือว่าเป็นอุปนิสัยนไไก่ฟังเสียงสาธยายวิปัสนาภูมิทั้งหลายเช่นสาธยายเรื่องขันายตนาธาเรื่องอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ย ก, กุศลจิตสา ม, มารถเกิดขึ้นได้อันนั้นก็เป็นอุปนิสัยให้ไปเกิดในราชตระกูลด้วยในการต่อมาพระนางนี้เสด็จเข้าไปยังสถานที่ถ่ายอุจระทอดพระเนตรเห็นหมู่น้อยยังปุรุวกะสัญญาให้เกิดในที่นั้นก็ได้ปฐมฌ า, านเห็นนอยเยย้เยอะเยเยอนี่นะเจริญกรรมฐ า, านแล้วได้ฌานที่หนึ่งนางนั้นดำรงอยู่ในชาตินั้นจนสิ้นอายุจุติจากชาตินั้นก็เกิดในพรหมโลก ก็แล้วพนางนั้นครั้นจุติจากอัตภาพนั้นสับสนอยู่ด้วยอำนาจคติหมายคําว่ามาจากพรหมก็มาเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาจากมนุษย์เทวดาก็ไปอบายต่อก็ตอนหลังมาเกิดเป็นนางสุกรอันนะเป็นลูกหมูตัวเนี้อันนะคือก็จะเล่ามารวบรัฐอันนะตอนแรกเป็นไก่จากไก่ฟังธรรมมาเกิดเป็นราชอยู่ในราชตระกูลอยู่ในราชตระกูลเสร็จเจริญชานได้ไปเกิดเป็นพรหม ตาจากพรมต้องมาเป็นมนุษย์หรือเทวดาก็สับสนคําว่าสับสนก็สับไปสับมา ก, กลับไปหาเป็นหมูตามเดิมนะหมูอินเดียด้วยนะจานสุทันเห็นหน่อยนะแหลบเหลือบตาไปข้างรถเนี่ยเป็นฝุ่งๆเลยอะ่ะเขาไม่ต้องใช้เล้าแบบบ้านนอกเต็ไมไปหมดเลยเราเห็นเหตุ น, นี้จึงทําการแย้มให้ปรากฏอนะ น, นัคือเห็นเหตุที่วิคือพระพุทธเจ้าเนี่ย ปกตินะแค่หายใจฮึดเดียวพระองค์ระลึกชาติได้91กับเพราะฉะนั้นแค่เหลือบตาเห็นนางลูกสุกรตัวนั้นนะระลึกได้หมดเลยว่ากันนะว่าภายในเท่าไร่เท่าไรมาเนี่ยมองตลอดสายหมดเลย <c oughs> พิกสูทั้งหลายมีพระอนนทเทระเป็นต้นพอฟังเรื่องนั้นแล้วก็สังเวชใจเป็นอย่างมากคือสลดใจเป็นอย่างมากอ่ะ น, นะว่าเอ๊ะนี่มันขึ้นลงขึ้นลงในชีวิต พระศาสดายังความสังเวชให้เกิดขึ้นแก่พิสูจนเหล่านั้นแล้วเมื่อจะประกาศโทษแห่งราคะตัณหาประทับยืนในระหว่างถนนนั่นเองได้ทรงภาษิตฐคาถาเหล่านี้ว่าต้นไม้เมื่อรากไม่มีอันตรายยังมั่นคงถึงบุคคลตัดแล้วก็ย่อม ง, งอกขึ้นได้อีกทีเดียวยนะพูดถึงต้นไม้บางชนิดนะที่ถึงตัดโคนเถอะ เดี๋ยวไม่นานเน่ยงอกอีกนะนะมีหลายชนิดต้นใดบ้างนะถามอาจารย์วินิตเราอะนะชอบปลูกต้นไม้มากผมก็ถามเนะีนะนะต้นไม้ชนิดที่ตัดแล้วก็งอกตัดแล้วก็งอกอยู่ดี <c oughs> ตระกูลที่เป็นผักกินยอดทั้งหลายเขาก็ตัดแล้วก็ได้ยอดออกใหม่ก็กินอย่างเงี้ยไปเรื่อยใช่ไหมก็ก็ไม่หมดอะไรทุกนี้ก็เหมือนกันคําว่าทุกนี้คือวัฏฏทุกนะทุกในวัฏฏะทั้งหลายที่ที่เกิดเกิดแก่แก่ตายตา ย, ตายเหล่าเนี้ย เมื่อตันหานุสัยอันบุคคลยังขจัดไม่ได้แล้วย่อมเกิดขึ้นร่ําไปแม้ฉันนั้นเนี่ยนะคือไม่ใช่ว่าชีวิตนี้เมื่อตายแล้วถือว่าจบอนะพุทธศาสนาไม่ได้ถือว่าการตายคือการจบการตายคือการเริ่มใหม่เนี่ยนะนะอ้าจะต้องนับหนึ่งใหม่อีกแล้วอนะอย่างเช่นพระองค์เห็นพราหมอายุร้อยี่สิปีเนี่ยนะอ้าจะเป็นทารกวันสองวันนี้แล้วยังไม่รู้ตัวอีกยังยังจำน ว, นวนว่ายังมีมานะหรือ พูดแบบไทยๆหน่อยบอกยังพยองอยู่อีกเหมงอนกันเถอะจะเป็นทารกวันยังค่ําอยู่แล้วยังไม่รู้ตัวอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ายังตัดเชื้อแห่งการปฏิสนธิไม่ได้ <c oughs> นะถึงพออายุมากขึ้นจุติสิ้นชีวิตไปเนี่ยนะก็ไม่ใช่ว่าจะพ้นจากทุกอะไรนะนะทุกคนถือว่าแหมคนตายเนี่ยถือว่าไปดีแล้วจริงๆไม่ใช่หรอกไปเริ่มต้นใหม่ เนีนะเหมือนกับรื้อบ้านแล้วก็อบพยพเนี่ยนะเพื่อที่จะไปสร้างหลังบ้านหลังใหม่ขึ้นอ น, นะพออยู่จนบ้านเก่าก็รื้อทิ้งก็ไปหาสร้างลัง้ม น, นะหลังใหม่อย่างนี้ขึ้นวันเรือนคืออัตภาพรูปร่างกายเนี่ยนะก็เหมือนกันตอนแรกก็ให้มานิดเดียวใช่ไหมที่แรกๆกันนะที่เกิดในครันเนี่ยภาษาธรรมะเราบอกว่ากะละะเนี่ยหยาดน้ําใส เหมือนกับเมล็ดงาเออเอาขนทรายนี่จุมไปในเมล็ดงาแล้วก็สลัดเจ็ครั้งมันเล็กเท่านั้นแหละนะน้ำมันงาเนีจุ่มไปในน้ํามันงาน้ํามันใสๆเนี่ยสลัดเจ็ครั้งก็บอกเท่านั้นแหละเริ่มต้น น, นะนะที่เหลือก็อาศัยข้าวสุก ข, ขนมสดที่มารดารับประทานเข้าไปก็ค่อยๆเจริญเติบโตมาคลอดมาเป็นทารกก็หน่อยเดียวก็เริ่มสะสมสะเสบียงเนี่ยนะสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาใหม่ สร้างเนื้อสร้างเลือดสร้างผมสร้างเล็บสร้างฟันสร้างมาเรื่อยๆในที่สุดก็ผุพังอีกทําลายไอความที่ตันหามยังไม่ได้ละอะไรเนี่ยก็ไปหาสร้างอันใหม่ขึ้นมาอีกเนี่ยนะทีนี้สร้างไปสร้างมามันสร้างคนมั่งสร้างเป็นไอตัวใหญ่ๆโตโตบ้างอ่ะนะเป็นเป็นช้างเลยนะใหญ่หน่อยเล็กกว่านั้นลงมาอีกสร้างมดสร้างปลวกนะยังมีสร้างเป็นเปรตอสุรกาแล้วก็สร้างเป็นรูปสัตว์นรกหรือว่าถ้าเจตนานําไปดีก็สร้างเป็นพรมเป็นอะไรเป็นต้น แต่สิ่งที่ถูกก่อสร้างขึ้นนะนะต้องมองว่าสิ่งนั้นอะเที่ยงมีไหมหมอพูดเมื่อกี้ได้อนิจสัญญามไหมว่าอสะพานแขวนเนี่ยใช้ลวดแขวนไว้เนี่ยนะเดี๋ยวมันก็ขาดในที่สุดสพนะพานมันก็พังนี้ก็เหมือนกันไอปัจจัยทั้งหลายที่ทําให้ชีวิตเกิดในในพบนั้นๆ น, นอะเมื่อดํารงอยู่ด้วยปัจจัยเมื่อปัจจัยเหล่า น, น, นั้นสิ้นไปล่ะสังขารทั้งหลายก็สิ้นไปถามว่าจบไหมไม่จบนั่นคือการเริ่มต้นใหม่เนี่ยนะ การตายคือการเริ่มต้นใหม่ไม่รู้จะไปเกิดในครันใครอีกเนี่ยนะถ้าเกิดในคันมนุษย์ก็คิดให้ดีนะว่ามนุษย์ยุคหน้าเนี่ยนะว่าแม่ไปติดอะไรมาหรือเปล่าแม่มีศีลดีไหมหรือพ่อเป็นยังไงแล้วเขาส่งไปส่งเข้าโรงเรียนไหนเนี่ยนะถ้าถ้าเกิดยุคหน้านี้คุณบุญชูอยากให้แม่ส่งเข้าโรงเรียนไหนดีเนี่ยนะก็โรงเรียนดังๆก็ไม่ใช่เรียนโรงเรียนพุทธศาสนาอยู่แล้วใช่ไหมที่ ท, ที่มีชื่อเสียงหน่อยนะ และพ่อแม่ก็แหมถ้าส่งไปโรงเรียนวัดนี่ทั้งสายไม่ค่อยชอบนะกลายเป็นเรื่องเสียหายด้วยก็จะส่งไปโรงเรียนที่ไม่ได้สวดอารหังก่อนแล้วกัน น, น, นะกระแสแห่งตัณหาอันไหลไปในอารมณ์นนะคือกระแสสามสิบหกที่ไหลไปในอารมณ์เป็นที่พอใจเป็นธรรมชาติกล้าย่อมมีแก่บุคคลใด น, นนะตัณหาสามสิบหกนี่ก็คือ ตันหา3มนะกามตันหาภาวะตัหาวิภวะตันหาตันหา3เนี่ยนะทวารตาเนี่ยทวารหูก็3มจมูกลิ้นกายใจก็3ก็เป็น3ามคูณ6กใช่ไหมอาศัยภายในกับภายนอกก็เป็น36ถ้าเอาอาดีตอนาคตปัจจุบันมาคูณอีก3ก็เป็น108เนี่ยเอาแค่36ก็พอว่าถ้ากระแสแห่งตันหาที่ไหลไปในอารมณ์เป็นที่พอใจ การมาตัญหาภวะตัญหาเวภาวะตัญหาที่ไหลไปในอารมณ์ที่เราพอใจเนี่ยความดําฤทธ์ทั้งหลายอันใหญ่คือวิตกความครุ่นคิดที่ยิ่งใหญ่เนี่ยนะอาศัยราคะก็นำบุคคล น, นั้นผู้มีทิฏฐิชั่วไปฉนะชั้นแรกชอบก่อนพอชอบเสร็จก็ครุ่นคิดพอครุ่นคิดมิจฉาทิฏฐิก็มากขึ้นพอกพูนขึ้นพอกพูนขึ้น กระแสแห่งตันหาทั้งหลายย่อมไหลไปในอารมณ์ทั้งปวงดุจเถาวันเนี่ยนะแตกขึ้นแล้วย่อมตั้งขึ้นอยู่นะเถาวันเนี่ยถ้าตอนที่มันงอกทีแรกมันงอกอันเดียวนะแต่ถ้าตัดชับมันจะงอกออกเป็น2ถ้าไปตัดอีกมันจะแยกออกเป็น4ลักษณะของตันหามันก็เจริญเติบโตขึ้นอย่างนั้นก็ท่านทั้งหลายเห็นตันหานั้นเป็นดังเถาวันเกิดแล้วจงตัดรากเสียด้วยปัญญาเถิดนะนะ รากของตัญหาคือตัวรากของตัญหาจริงๆคืออวิชชาเนี่ยนะตัญหาที่เจริญเติบโตนั้นด้วยอนุภาพของอวิชชาถ้าตัดรากของตัญหาคืออวิชชาได้ก็สามารถที่จะตัดรากของตัญหาออกไปได้มันให้ตัดด้วยปัญญาเสียเถินปัญญาที่จะตัดตัญหาได้จริงๆนี่ต้องปัญญาในระดับอรหัตตมัรตเนี่ยนะแต่จริงๆอ่ะถ้าคือพูดเอาสูงสุดเอาไว้ก่อนนะน ส่วนจะปฏิบัติได้ตามเท่าไหร่ก็ตามสมควรแก่กำลังพระพุทธเจ้าเวลาแสดงธรรมเนี่ยพระองค์จะไม่สันโดษให้จบอยู่แค่วิปัสนาหรือให้จบอยู่แค่โสดาปฏิมร์โสดาปฏิผลพระองค์ไม่แสดงถึงเท่านั้นหรอกจะต้องให้จบเท่าที่พระองค์แบบพระองค์จบนะนะส่วนใครจะทำได้จบหรือไม่ก็ก็อีกเรื่องหนึ่งะนะ อย่างผู้ที่จบวิชาการชั้นสูงที่สุดทางโลกนะอยากจะให้คนอื่นจบแค่ปรมหนึ่งสองเท่านั้นหรือนะก็อยากให้จบแบบตัวเองอะนะส่วนเขาจะจบหรือไม่ก็อีกเรื่องหนึ่งเป็นส่วนตัวของเข้าไปสมนัตทั้งหลายที่สร้างไปและเปื้อนตันหาดุดยางเหนียวย่อมมีแกสัตว์นั้นเนี่ยนะพอทีแรกก่อนนะชอบพอชอบเสร็จครุ่นคิดพอครุ่นคิดพอมิจฉาทิฐิก็มากขึ้นพอมิจฉาทิฐิมากขึ้นก็ดีใจกับสิ่งนั้นนั้น โซมานัดขึ้นไอ้ตันหาที่ที่เหมือนยางเหนียวก็เปื้อนสัตวไปเรื่อยๆนั่นก็คล้เคล้าคลุกอยู่กับความคิดไปตลอดเพราะถามหาเวลาว่างจากตันหาเนี่ยมีไหมเนี่ยนะถึงขนาดทุกอยู่ก็ยังไม่ได้ว่างจากตันหาเลยเช่นตอนหนาวหนาวเนี่ยนะว่างจากตันหาไม่ตอนนั้นคิดถึงอะไรคิดถึงความอบอุ่นไว้เสมอใช่ไหมแล้วตอนร้อนๆน่ะก็คิดถึงความเย็นเย็นเอาไว้อีกตอนหิวละ ก็คิดถึงอาหารอร่อยเข้าไปอีกนะเพราะฉะนั้นถึงสเสวยความทุกข์อยู่ตันหาก็ไม่ได้ลดลงอะไรเลยก็มีแต่ความปรารถนาไปอย่างนั้นสัตว์ทั้งหลายอาศัยความสําราญจึงเป็นผู้สแสวงหาความสุขนะนะไปยึดติดความสุขที่ถึงแต่ความสุขอยู่เสมอนรกเหล่านั้นคือคนเหล่านั้นย่อมเป็นผู้เข้าถึงซึ่งชาติและชาราเนี่ยนะพอตายแล้วก็เกิดใหม่เพื่อแก่เอกเนี่ยนะนะแก่แล้วจะได้มาเกิดใหม่อีกครั้งก็แก่ไปอีกเนี่ยนะ หมูสัตว์อันตันหาผู้ทําความดิ้นรนล้อมไว้แล้วย่อมกระเสือกกระสนเหมือนกระต่ายอันในพรานดักไว้แล้วฉะนั้นเ น, น, น, นีกระเสือกกระสนไปนะเหมือนกระต่ายถูกดักหรือว่าเวลาเห็นสัตว์ที่ถูกถูกบ่วงเนี่ย น, นะมันจะกระดิ้นรนกรวนกวาอย่างนั้นแหละหมูสัตว์ผู้คล่องอยู่ในสังโยชน์และกิเลสเครื่องข้องย่อมเข้าถึงทุกใบๆอยู่ช้านาน หมูสัตว์อันตันหาผู้ทำความดิ้นรนล้อมไว้แล้วย่อมกระเสือกกระสนเหมือนกระต่ายที่นายพรานดักได้แล้วฉะนั้นเพราะเหตุนั้นภิกษุหวังธรรมะเป็นที่สำรอกกิเลสแก่ตนนะธรรมะที่สำรอกกิเลสคือนิพพานพึงบรรเทาตันหาผู้ทำความดิ้นรนเสียถ้าปรารถนาแทงตลอดนิโรสัตจะต้องละสมุทัยสัตนะ นะก็เท่ากับภ้าว่าโดยสัจจะนะถ้ายินดีในนิโรธสัจจริงต้องละสมุทัยสัจเนีนะคือธรรมะที่สํารอกกิเลสคือนิพพานตัณหาคือสมุทัยสัตว์ที่เพลิดเพลินในในอะไรในอุปาทานขันห้าเพราะฉะนั้นก็ตัดชั้นราคาในอุปาทานขันห้าที่เป็นทุกข์นะละสมุทัยก็จักทานิโรธให้แจ้งด้วยอาศัยข้อปฏิบัติคือปัญญาปัญญาอันนั้นแหละเรียกว่ามัค ในศาสนานี้ทีนี้พูดถึงประวัติของนางลูกหมูต่อไปเนี่ยนะนางลูกสุกรต่อไปว่านางลูกสุกรนั้นจุติจากอัตภาพนั้นก็เกิดในราชสกุลในสวนภูมิสวนภูมิเนี่ยไทยก็อยากให้เป็นไทยพม่าก็อยากให้เป็นเขานะแต่สรุปก็อยู่ละแวกและแวกแถวแถวนี้แหละก็มาเกิดในสวนภูมิเกิดเป็นลูกพระราชาด้วยนะ จุติจากอัตภาพนั้นเกิดในกรุงพาราณสีเหมือนอย่างนั้นนั่นแหละไปเกิดเมืองพาราณสีก็เมืองที่เราไปหมอจําได้ดี <c oughs> น, นะก็คือเมืองที่ไอขอมาเนี่ยดูดในน้ําลงไปนะไอที่มันนอนกระดึบ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บในน้านเต็มไปหมดแถวๆนั้นแหละนะที่เขาไปซื้อไอจานเกุดาไปซื้อสร้อยคอซื้ออะไรแถว ๆ, ๆนั่นนหะ น, นะจานละมุนได้อะไรมาบ้างพาราณสี บางท่านบอกว่าได้ภาพเมืองแขกมา น, นะผ่าแฟนกาสีเลยแหละองนั้น น, นะก็ไปเกิดในเมืองนั้นแหละจุติจากอัตภาพนั้นแล้วก็มาเกิดในเรือนพ่อค้า ม, ม้าที่ท่าสุปารกะอันนี้นะตายจากไอ้พารณสศีไปเกิดศรีลังกาโน่นนะในศรีลังกายังไม่ได้ไปเลยคุณภาไปกันแล้วจุติจากอัตภาพนั้นก็เกิดในเรือนของนายท่าเรือที่ท่าคาวิระเนี่ย น, นะไปลูกไปเกิดลูกเจ้าของเรือ ตาจากอัตภาพนั้นก็ไปเกิดในเรือนอิสระชนในเมืองอนุราธาบุรีก็ไปเกิดในลูกคนใหญ่คนโตนะตาจากชาตินั้นก็มาเกิดเป็นลูกสาวของในเรือนของกูดุมพีชื่อว่าสุมานณะในเพกะกรัมตะคำในทิศทักษิณของเมืองนั้นแล้วก็มีชื่อตามพ่อว่าสุมาณะนะพ่อชื่อสุมาณะเป็นปุงลิงะนะลูกสาวก็เป็นอิทีลิงกเรียกสุมาไปเลยชื่อเหมือนกัน ต่อมาบิดาของนางเมื่อชนทั้งหลายทิ้งบ้านนั้นไปแล้วก็ไปสู่แคว้นทีฆะวะปีนะครับมีอาจารย์บางท่านแปลว่าน้องแวงเหมือนกันน้องแวงเนี่ยถามอาจารย์สุธันว่าเป็นยังไงน้องแวงอยู่ในบ้านชื่อว่ามหามุนีคามอามาตย์ของพระเจ้าทุตคามินีนามว่าลกุลตกะอติพระไปที่บ้านนั้นด้วยกรณียกิจบางอย่างเห็นนางแล้วก็ นึกชอบขึ้นมาก็เลยเอามาทำมงคลเนี่ยนะก็เอาไปเป็นแม่บ้านเลยครั้งนั้นพระมหาอตุละธีระผู้อยู่ในมหาวิหารชื่อว่าโกติบันพศเที่ยวไปในบ้านนั้นเพื่อบินทบาทยืนอยู่ที่ประตูเรือนของนางเห็นนางแล้วก็กล่าวกับพิสุทั้งหลายว่าผู้มีอายุทั้งหลายชื่อว่านางลูกสุกรถึงความเป็นพรนยาของมหาอมาชิ์ชื่อว่าลกุนตกะอติพระแล้วหนอ โอ้น่าอัศจรรย์จริงเออหมูเป็นเมียอมมาดนะนะพูดแบบไทยๆเรานะอ่ะนะหมูก็เกิดมาเป็นเมียอมมาดได้เหมือนกันไหมเนี่ยนะนางนี่พอฟังคำนั้นแล้วก็เพิกอดีตได้พอฟังจบปั๊บระลึกชาติได้ทันทีกลับได้สัญญาเนี่ยนะได้ญาณอันเป็นเหตุระลึกชาติเรียกว่าอนุสรณ์ญาณเนี่ยนะญาณที่ด้วยอาศัยบุญบางอย่างเป็นเหตุให้ระลึกชาติได้ ในขณะนั้นเองนางก็มีความสังเวชขึ้นแล้วก็อ้อนวอนสามีนี่ขอบวชในสำนักพระเถรีผู้ประกอบด้วยพระห้าอนะมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาก็ฟังกถาพันนาสติปัฐานสูตรในติดสะมหาวิหารก็ตั้งอยู่ในโสดาปฏิพลนะจบสติปทานสูตรบรรลุโสดาบันเลยนะของเรานี่ตั้ง21บเบพัพพาทำให้ได้เป็นพระอรหันตุบพัพพะนี่น่าจะติดให้คิดได้สักบับพพะก็ถือว่าแจวแล้วนะ ภายหลังเมื่อพระเจ้าทุตคามินีทรงปราบธมินได้แล้วพระสุมาเทรีก็ไปสู่บ้านเพกะกันตคามซึ่งเป็นที่อยู่ของมารดาบิดานั่นเทียวอยู่ในบ้านนั้นฟังอาศีวิสูปมะสูตรในกาละกะมหาวิหารก็บรุกเป็นพระอรหันต์อาศีวิสาสูตรนี้ก็น่ากํ า, นากหนดจดจําเป็นอย่างมากพระสูตรที่อุปมาด้วยอสสรพิษสีตัวนี่นะว่ามหาพูดเหมือนอสสรพิษสีตัวเลี้ยงไม่เชื่อว่า ง, งั้นเถอะ น, นะบำรงน้าผิดไฟบำรุงไฟผิดลมเนี่ยนะนั่นแหละสูตรนั้นแหละแล้วก็มองเห็นอายตนะภายในเหมือนเรือนว่างอายตนะภายนอกเหมือนโจรปล้นขันห้าเหมือนเพชฌฆาตันหาเหมือนอนันทีราคาเหมือนกับไอ้ศัตรูที่คอยตามฆ่านะแล้วก็เพื่อที่จะข้ามไปสู่อีกฝั่งคืนนิพานเป็นที่สงบประงับเราฟังสูตรนี้แล้วก็บรรลุเป็นพระอารหันต์ในวันปรินิพานนางก็ถูกภิกษุณีถามแล้วก็เล่าประวัติ ทั้งหมดอย่างละเอียดให้แก่ภิกษุณีสงฆ์เนี่ยฟังแล้วก็สนทนากับพระมหาติสเถระผู้กล่าวบทแห่งธรรมคือกล่าวธรรมบทผู้มีปกติอยู่ในมันดารามณนะถ้ำกลางภิกษุสงฆ์ผู้ประชุมกันแล้วกล่าวว่าในการก่อนข้าพเจ้าตายจากกำเนิดมนุษย์ก็เกิดเป็นแม่ไก่ถึงการตัดศีรษะในสำนักเกี่ยวในอัตภาพนั้นเนีย่ยนะเป็นแม่ไก่กาลังเที่ยวหากินอย่เี่ยวก็โฉบไปแล้วก็ตัดคอ เกิดในกรุงราชครึกบวดในสำนักของนางปริภาชิกาทั้งหลายก็เกิดในปฐมมัชฌานภูมิไปบวชในสำนักเดรธีที่เป็นกัมมะวาทีก็เจริญฌานได้ฌานที่หนึ่งจุติจากชาตินั้นเกิดในตระกูลเศรษฐีต่อมาไม่นานนักตายก็มาเกิดในกำเนิดสุกรสุกรก็คือตอนเป็นเป็นหมูะนะเป็นหมูที่ที่พระพุทธเจ้าตรัสตรงนี้แหละที่ชาตินั้นเกิดเป็นหมู ตายจากอัตภาพนั้นก็ไปเกิดในสุวรรณภูมิตายจากสุวรรณภูมิไปสู่เมืองพาราณสีจากนั้นไปสู่ท่าสุปรารกะตุติจากอัตภาพนั้นก็ไปสู่ท่าคารวิระจุติจากอัตภาพนั้นก็ไปสู่เมืองอนุราทะนะจุติจากอัตภาพนั้นก็ไปสู่บ้านเพกะกันดามไอการละลึกชาติได้แบบนี้ถามว่าเหมือนอะไร เหมือนกับใครที่ขับรถมาจากกรุงเทพเนี่ยนะบอกว่าคุณผ่านจังหวัดอะไรมาบ้างก็เล่ามาเรื่อยๆได้ตลอดเนี่ยนะผู้ที่ระลึกชาติได้ก็ระลึกได้ลักษณะนั้น น, นะกำหนดจดจำได้นะอย่างถามที่นี่นะก็มีสุรินอยู่ตั้งหลายคนนะเนี่ยสุรินหนึ่งสองสามสี่มีอยู่สท่านเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงสังฆบัวเชดอะไรเง น, นะก็จะเล่าได้ยาวเลยนะเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็จะระลึกได้ทราน ข้าพเจ้านี้ได้ถึง13าอัตภาพสูงๆูงต่ำต่ำเป็นไก่ก็มีใช่ไหมเป็นหมูก็มีเป็นพรหมก็มีนะเป็นลูกพระราชาก็มีเนี่ยนะเป็นมีอมาตะก็มีเป็นมาหมดเลยบัดนี้การเกิดในอัตภาพอันอุกฤษเกิดแล้วเนี่ยนะก็คือถือว่าชาติสุดท้ายขอท่านทั้งหลายแม้ทั้งหมดจงยังธรรมะอันเป็นกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาเทเถิด น, นะคือให้ภาคเพียรพยายามปฏิบัติ ให้อรหัตตมักกุศลเกิดนะแล้วก็การปฏิบัติอันนี้อย่าทําด้วยความประมาทดังนี้แล้วก็ให้บริษัทสี่สังเวชปรินิพานแล้วนะก็คือจุติจิตก็ทิง้งทิ้งชรามรณะอันนี้ก็ไม่ถือเอาชาติอันใหม่เนี่ยนะพอใจไหมหรือว่าแหมยังเสียดายอยู่เสียดายก็ก็ยินดีในทุกต่อไปนะวันนี้ก็สมควรแก่เวลานั้ว น, นะเป็น